งานบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระบูรพาจารย์และสืบทอดพระพุทธศาสนางานบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นมหากุศลแด่พระบูรพาจารย์และสืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อพศ2551ผ่านพ้นไปด้วยดีมีผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในงานบวชเป็นจำนวนมาก สามารถบวชได้ถึงกว่า500รูปและมีผู้ร่วมถือศีลถึงกว่า4ี่พันคนด้วยบารมีและความมั่นคงของพระอริยสงฆ์ได้แก่หลวงปู่บุญมีบริปุโนวัดป่านาคูนและพระอาจารย์อินทวายสันตุสกโกวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีตลอดจนหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมวัดพิชัยพัฒนารามจันทบุรีรวมทั้งครูบาอาจารย์อีกหลายองค์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมกําลังกันอย่างเต็มที่คณะสิทธิ์พร้อมใจกันกราบนมัส ก, การขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์และครูบาอาจารย์ทุกรูปที่กรุณาเมตตาทําให้โครงการสําเร็จได้ด้วยดีมาณที่นี้ขอขอบพระคุณพี่น้องสิทธิ์หลวงตาทั้งหลายที่มีความตั้งใจสอดประสานทุ่มเทจัดการให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นการร่วมกันสร้างมหาบุญโดยแท้ การประชุมจัดงานได้หมุนเวียนไปตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งร้านต้มเลือดหมูข้างสวนแสงธรรมเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขอขอบพระคุณพี่ตรีรัตคุณหน่อยคุณสันติและเพื่อนสิทธิ์อีกหลายสิบคนที่ร่วมใจกันทํางานเพื่อถวายแด่พระบุรพาจารย์และพ่อแม่ครูอาจารย์คอยเป็นกาลังใจร่วมสร้างงานที่ไม่เคยมีผู้จัดมาก่อนพวกเราทากันเงียบ ไม่ได้ขออนุญาตจากใครเพราะเชื่อมันแน่วแน่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องงานเริ่มขึ้นจากคนกลุ่มเล็กๆค่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเมื่องานผ่านพ้นไปแล้วผมได้เห็นความตั้งใจของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายพระและฝ่ายฆระวาสและหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ตั้งใจทำงานบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้เห็นความใจกล้าและเด็ดเดี่ยวเห็นความอ่อนไหวของอารมณ์เห็นความชราในความคิดเห็น เห็นความเคารพรักที่มีต่อพระบูรภาาจารย์และพ่อแม่ครูอาจารย์มีหลากหลายอารมณ์ในงานเนี้ยผมต้องระเวนไปตามวัดต่างๆเพื่อประสานงานและร่วมงานบรรพชาอุปสมบทผมได้มีโอกาสนำลูกหลานหลวงตาผู้เตรียมตัวจะบวชเข้ารับพัตไรจากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเมื่อเห็นความเคารพรักและความตั้งใจของผู้จะบวชแต่ละคนแล้วต้องขอชื่นชม ที่ทุกคนมีความตั้งใจที่จะตอบแทนพระคุณท่านด้วยความจริงใจพวกเขานั่งรถตู้จากบ้านตาดเข้ามากรุงเทพแต่และคนแต่งกายกันตามสบายหนวดเครารุงรังไม่ได้โกนกันมาเกือบอาทิตย์รถจอดพักรับประทานอาหารกันก่อนเพื่อให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อรับพัตไตรประทานที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงเมตตาประทานให้กับผู้ที่จะอุปสมบททั้งหลายในตอนบ่าย เมื่อทุกคนพร้อมที่จะเดินทางออกจากดอนเมืองผมแทบไม่เชื่อสายตาตนเองที่เห็นทุกคนสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงสีน้ำเงินเข้มรองเท้าหนังโกนหนวดเครากันเรียบร้อยสะอาดตาต่างกันเป็นคนละคนกับที่เดินทางมาในตอนเช้าทุกคนนั่งเรียบร้อยคอยพระเดชพระคุณพระเทพสารเวทีผู้แทนพระองค์เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากพระองค์ทรงประชวร ทุกคนตั้งใจเข้ารับพัดไตรจากผู้แทนพระองค์ด้วยความปลาบปลื้มเกือบทั้งหมดไม่เคยเข้าร่วมในพิธีเช่นนี้ในชีวิตพวกเขากอดผ้าไว้กับตัวพร้อมทั้งอุ้มบาทด้วยความภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อพระบูรพาจารย์ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือสูงสุดผมได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอุปสมบทในวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดโพธิสมพร ได้เห็นทุกคนในกลุ่มของลูกหลานหลวงตาขานนาคได้อย่างไม่ติดขัดพวกเขาได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ประจวบที่สอนวิธีการกล่าวคำขออุปสมบทให้อย่างถูกวิธีเสียงอักขระภาษาบาลีชัดเจนกันทุกคนเมื่อห่มผ้าเหลืองที่ได้รับพระเมตตาประธานมาให้แล้วทุกองดูมีความสง่างามอิ่มบุญผ่องใสกันทั่วทุกรูป ผมมีโอกาสได้พบกับเขาเหล่านั้นหลังจากที่พวกเขาลาศิกขาแล้วดูพวกเขาผิดไปจากตอนก่อนอุปสมบทเป็นอย่างมากหลายคนเล่าว่าสามารถอดอาหารได้หลา ย, ลายวันขณะที่บวชบางคนก็รับอาหารเพียงมื้อเดียวเท่านั้นเพื่อเร่งความเพียรจนกังเกงรวมลงไปมากมีหลายคนที่ติดวัดอยากจะกลับไปอีกหากมีโอกาสนับว่าพวกเขาได้มีโอกาสดีที่สุดในชีวิตแล้ว ไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นลูกหลานเห้นพระอาหารหันต์หลวงตามหาบัว